เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่สิบสามเอาเมื่อวานนี้เราเรียนกันเรื่องของฟงุงยิ้มนะก็เกี่ยวกับในแง่ของความเพ้อฝัน เกี่ยวกับในเชิงสุขนะค่อนข้างไปในทางนั้นเขาก็เลยใช้คำว่าฟุงยิ้มแต่วันนี้คงจะเป็นเชิงเศร้าแหละเพราะเขาใช้คำว่าฟุ้งมองนะเป็นข้อ 5.3.2 หน้าที่80พวกนี้ตรงข้ามกับพวกแรกคือแทนที่จะคิดไปยิ้มไปกับคิดไปเศร้าไป อาจจะเศร้าเพราะความเสียใจที่ไม่สมใจหรือไม่ก็ด้วยความขลาดกลัวหรือด้วยความขุ่นเคืองจิตมันก็ยังไม่พ้นจากสัตว์นรกไปได้มันทุกข์ทนหม่นหมองยังเป็นสัตว์โลกผู้น่าสงสารอยู่จริงๆซึ่งมีอยู่เพียงสองพวกคือพวกหมองอดีตกับพวกหมองอนาคต แล้วเขาก็แยกนะหมองอดีตเป็นยังไงหมองอนาคตเป็นยังไงหมองอดีตพวกนี้มักจะมีประสบการณ์ความหลังที่น่ากลัวน่าเสียใจน่าขุนเคืองหรือน่าปวดร้าวเมื่อหวนกลับไปคิดทีไรเป็นต้องปรุงพร่านขึ้นมาทันทีถ้ายึดมั่นถือมั่นมากมันก็วันไหวมากเป็นธรรมดาตัวอย่างเช่นคิดถึงตอนคู่รักเก่าซ้อมบนเล็ก กลัวนะคิดคือคิดขึ้นมาแล้วก็กลัวนั่นเองคิดถึงตอนเพื่อนรักหักหลังคิดขึ้นมาแล้วก็แค้นนะคิดถึงเมื่อตอนใส่ร้ายเพื่อนแต่เขากลับรู้ทันนะวงเล็บว่าอายก็คิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอายมันก็หมองเหมือนกันแหละหรือคิดถึงความอดอยากสมัยกัดก้อนเกลือกลิน่นกัดก้อนเกลือกินวงเล็บขณะคิดถึงก็เศร้า แต่พอมองปัจจุบันมันก็หายไปหรือตัวอย่างอีกคิดถึงความมดเท็ของเพื่อนเราวงเล็บยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหนะหรือคิดถึงคําดูถูกเมื่อวานวงเล็บก็โมโห อ, อีกเหมือนกันนะหรือคิดถึงคนรักไม่พูดกับเราวันก่อนคิดแล้วก็น้อยใจนะคืออาการเหล่านี้ทั้งหมดตัวอย่างที่เขาให้มา คือตัวอย่างของการคิดถึงอดีตที่มันทุกข์เสียใจน้อยใจอะไรที่เป็นกิเลสในแง่ของความหม่นหมองนะในแง่ของความไม่สมใจผิดหวังอะไรพวกนี้เพราะความแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้ความแท้จริงของกาลเวลา ว่าชีวิตก็คือสภาพเดี๋ยวนี้ขณะนี้อดีตคือความฝันเหมือนหมู่เมฆที่บทบางแสงอาทิตย์เพียงชั่วคราวแล้วก็ลอยสลายผ่านไปจิตที่ยังไปย้ำอยู่กับอดีตจึงทำให้ชีวิตปวดร้าวขุ่นเคืองเหตุการณนน์นั้นๆได้เกิดขึ้นมาและก็ได้ผ่านดุจความฝันแต่เรากลับเอาสิ่งนั้นมาซ้ำมาย้ำ อยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาร้องไห้มาแล้วก็ต้องมาร้องอีกโกรธมาแล้วก็ต้องมาโกรธอีกอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเหมือนดังผีร้ายที่คอยหลอกหล้อนเราตลอดเวลาแม้ในความฝันเราก็ยังปล่อยให้ตามเข้ามาตามเข้าไปความไม่ชอบใจจึงถูกสิงสู่ในหัวใจตราบนานเท่านานคือนนี้ เป็นลักษณะของการที่เอาอาดีตที่เจ็บปวดต่างๆเนี่ยนะเอามาย้ำอยู่เรื่อยถ้าพอท่านเปรียบหนักๆก็เปรียบเหมือนกับการขายําได้เออการขยำขี้เล่นทําไมท่านเปรียบอย่างนั้นเปรียบอย่างนั้นมันเหมือนกับเราถ่ายออกไปแล้วเงี้ยเข้าใจไหมเราถ่ายขี้เราถ่ายอุจาระเนี่ยออกไปแล้วพอถ่ายออกไปแล้วจริงๆก็หมดไปแล้วหมายถึงว่ามันจบไปแล้วนะ มันหลุดออกไปแล้วเพราะจริงๆก็เขามีแต่ว่าเออจะลาดลงโถส้วมทิ้งไปเท่านั้นแหละนะหรือว่าจะไปทําเป็นปุ๋ยไปทําเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่หมายถึงว่ามันจบแล้วแล้วไม่จําเป็นอะไรเลยที่เราเนี่ยจะต้องมาขยำเล่นอีกเพราะฉะนั้นน่ยคนที่เอาอดีตที่มันทุกๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่มาขยำขี้เล่นเหม็นก็เหม็นสกปกก็ศกปก นะแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วจริงๆแล้วมันน่าสนุกตรงไหนมันก็ไม่ได้น่าสนุกตรงไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมันมันก็มีแต่เสียอย่างเดียววนันไม่รู้จะทำไปทำไมแต่คนเรามันห้ามใจไม่อยู่มันก็ทำถ้าถามจริงๆว่าอยากจะทำไหมถามจริงๆก็ไม่อยากทำแต่ทาไมต้องทา ที่ต้องทําเพราะว่ามันห้ามจิตไม่ได้บังคับจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่อยากอยากที่จะไม่ทำเนี่ยนะแต่มันห้ามจิตไม่ให้ไม่ทําไม่ได้วันผลที่ออกมามันก็เลยกลายเป็นทําทั้งๆทีท่จริงๆเกลียดด้วยซ้ําไปทุกข์ด้วยซ้ําไปทรมานด้วยซ้ําไปแต่ก็ทําและอะไรล่ะที่ทําให้คนนั้นยังต้องไป ขยำเล่นอย่างนั้นอยู่ทำไมต้องไปทำอย่างนั้นข อ, ขอะไรมาบังคับเขาแหละฮะมีคนขอขอถือปืนมาขูข่เขาหรื อ, อยังไงทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นฮะไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรไถูกหรืออย่างนั้นอะอะไรไเอาถึงวิคนจะดิบเลยแนะหนักไปหรือเปล่าวิ่คนจะิบ ยังไม่ถึงขั้นมีคนเฉลี่ย <laughs> ก็ไม่น่าทำอ่ะจริงๆบางทีหลายคนเนี่ยเอาเลยเนี่ยอดีต ท, ที่เจ็บปวดมีทุกคนน่ยอาตมาเชื่ออย่างนั้นไม่ชอบใจไม่พอใจมีทุกคนกแล้วทําไมอะ่ะมันสุขแล้วเหรอมันก็ไม่สุขอีกมันก็ทุกข์แต่ทําไมยังไปคิดถึงมันอยู่อ่ะไหนลองพยายามหาสาเหตุให้ได้ซิว่าเพราะอะไรทําไมถึงยังไปคิดถึงมันอยู่ต่ <laughs> อจําเป็น โอ้โหเหตุผลรู้สึกยังไม่ค่อยเข้าท่าเลยมันจําเป็นตรงไหนแม้เหมือนไปขยําขี่เล่นอย่างเงี้ยจำเป็นเหรอไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยก็นั่นแหละไอ้คาว่าอดคิดไม่ได้เนี่ยอาจารย์มาเขาพยายามจะเจาะพวกเราลงไปไม่อย่างนั้นถ้ามันสาวไปไม่ถึงต้นตอเนี่ยเราแก้ไม่ได้ฮะไม่ใช่ติดอยู่ เออชักใกล้เข้าไปแล้วนะชักใกล้เข้าไปแล้วเกือบถูกแล้วเนีมันเป็นความเคยชินที่คนนั้นเนี่ยไปสะสมอันนั้นเอาไว้อยู่เรื่อยๆเยข้าใจไหมวันข่าวนี้เนี่ยจริงๆอยากจะผลักออกไปแล้วไม่อยากที่จะเอามันเก็บไว้หรอกไม่อยากจะคิดถึงมันเลยแต่เพราะจริงๆก็คือคนนี้เนี่ยไปสะสมไอ้สิ่งนั้นเอาไว้จนกระทั่ง เรียกว่ามันกลายเป็นแทบจะกลายเป็นอะไรอ่ะตัวของคนคนนั้นคือมันฝังอยู่ในจิตวิญญาณคนคนนั้นจนหนานั่นเองมั่งคําที่ปุถุชนเนี่ยก็คือไปสั่งสมไอก้กิเลสตัวนั้นๆเอาไว้จนหนาจนเคยชินจนเป็นนิสัยหรือจะใช้ว่าเป็นสันดานก็แล้วแต่เพห้อคร่าว น, นี้เนี่ยพอจะไม่อยากจะเอามันไม่อยากจะเอามันโอ้แต่มันเกาะแน่นน่ะมันเกาะแน่นน่ะคุณอยากจะสลัดมันทิ้งแต่มันก็ เกาะติดอยู่อย่างเงี้ยตนั้นที่อยากจะเปลี่ยนเรื่องคิดอยากจะไปคิดเรื่องอื่นมันก็เกาะติดสถานการณ์เราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นใจเนี่ยอยากสลัดออกมันทุกบางคนอย่างเงี้ยทุกจะตายเอาเพราะนั้นที่ละกี่บอกว่าคนพิกลจริตเนี่ยหรือคนบ้าเ น, นี่ยคือคนที่มันพยายามสลัดแล้วมันสลัดไม่สําเร็จสลัดยังไงก็สลัดไม่สําเร็จสลัดกี่ครั้งกี่ผลยังไงก็ไม่สําเร็จจนในที่สุดมันก็เลยไม่สําเร็จมากๆเข้ามันก็เลย ปล่อยไปตามปล่อยไปตามที่มันมีมันเป็นนั้นก็เลยบ้าเลยนั่นแหละถ้าใครปล่อยให้มันไปตามที่มันมีมันเป็นอย่างนั้นบ้าในที่สุดแต่ถ้าคนที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องหาวิธีมาสลัดมันจะใช้เปลี่ยนเรื่องคิดนั่นะจะใช้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศนะเปลี่ยนคนที่จะจอเจอเปลี่ยนอาชีพการงาน เปลี่ยนอะไรกันอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้ที่จะทำให้มันจิตมันพอที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้บ้างเนี่ยต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อที่จะไม่ให้มันยำ้ำเพื่อที่จะไม่ให้มันซ้ำอยู่แต่เรื่องนั้นนั่นแหละาวันขาวนี้มันเท่ากับว่าต้องมาฝึกฝนใหม่มาฝึกเปลี่ยนเรื่องคิดเป็นเรื่องอื่นแทนคนที่ไปจาอะไรมาจกนกระทั่งเคยชินน่ย นะคนนั้นก็คือไปฝึกคิดเรื่องนั้นๆทุกวันไปฝึกคิดเรื่องนั้นๆทุกวันจนมันเกาะติดนั่นเองมันถึงสลัดหลุดยากเพราะั้นถ้าใครเนี่ยมาฝึกใหม่คราวนี้ก็ต้องมาฝึกใหม่ละฝึกเรื่องอื่นแทนฝึกเรื่องอื่นแทนเอาเรื่องอื่นมาเกาะติดเพราะอย่างเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมต้องมาทําวัดทุกวันหรือว่าทําไมจะต้องมาสวดมนต์ต้องมาฟังธรรมอะไรหมัน่นฟังธรรมอยู่เสมอเสมอ ก็เพื่อที่จะให้มันเกิดความเคยชินแต่อันนี้เป็นความเคยชินที่ดีเป็นความเป็นความเคยชินที่จะทำให้เรายึดมั่นยึดมั่นในสิ่งที่ดียึดมั่นในสิ่งที่ดีมากๆมันก็เป็นศรัทธาเข้าใจไหมฮวันขาวนี้เนี่ยถ้าอะไรเร็วๆนะอะไรที่เป็นกิเลสอะไรที่เป็นสิ่งชั่วร้ายมันจะมาเข้ามาในจิตวิ ญ, ญญาณเราเพื่อที่จะ ให้เราเนี่ยสลัดความดีออกไปเพราะถ้าใครฝึกมาดีใครฝึกมาดีฝึกมาเหนียวแน่นฝึกมาจนเป็นนิสัยที่ดีฝึกมาจนเป็นสันดานที่ดีคนนั้นไอ้กิเลสมันจะมาให้เราเออไปคิดเรื่องอื่นไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเลยมันไปยา ก, ากเ ห, หมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ไปยากเนี่ยจิตที่เราฝึกมาดีเป็นนิสัยเนี่ยนั่นแหละถ้าใครยิ่งทําได้ดีมากนั่นแหละคือมีสมาธิมาก มีความตั้งมั่นแห่งจิตได้มากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือตัวสําคัญที่ทําไมแหละบางทีบางคนเศร้าโกศกเสียใจในเรื่องอะไรแล้วคิดเรื่องอดีตนั้นแล้วมันสลัดไม่ลุดก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่มันที่จะมาเปลี่ยนเรื่องคิดหรือว่าไม่มันที่จะมาฝึกเรื่องใหม่เนี่ยให้มันสะสมให้มันมากพอจนกระทั่ง ไอ้เรื่องเก่าที่เราสะสมไว้หนะ้ามันถึงจะจางลงไปได้นะมับอกแล้วว่าว่าไอ้ต้นเหตุของมันก็คือการที่คนนั้นนะ่ยไปมันติดยึดในเรื่องนั้นมากๆนั่นเองจนกระทั่งทําให้สลัดยากเพราะนั้นคุณไปสังเกตดูเรื่องไหนที่ที่คุณไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจเออไม่ค่อยอะไรอะ่ะเอามายึดไว้อะไรก็นักหนาเนี่ยนะ เรื่องนั้นคุณสลัดออกง่ายเพราะมันมันไม่มาติดอยู่ในใจเรานะักมันไม่เราติดแน่นเพราะเรื่องนั้นสลัดออกง่ายเหมือนกับคนถ้าเราคนไหนที่เราไม่ผูกพันเจ็บป่วยหรือว่าล้ลมตายไปเราไม่รู้สึกทุกข์เท่าไหร่แต่คนที่เราผูกพันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นยิ่งมากเท่าไหร่ถ้าเขาเจ็บป่วยหรือเขาตายไปเอาละสีคนนี้กระเทือนมากล้บางทีอะ นึกมาเมื่ อ, อไหร่ก็โอ้โหตั้งตาไหลไม่น่าตายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าไอจิตที่เราไปผูกพันจิตที่เราเนี่ยไปยึดจนมันมันเป็นความเคยชินยิ่งบางทีแหมเดินผ่านตรงนี้แล้วก็เออเคยเห็นคนนี้นั่งอยู่นะเดินผ่านตรงนี้เคยได้ยินเสียงคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาอีกละเพราะไอความเคยชินที่ตัวเองไปสั่งสมมาไว้ในจิตนะอันนี้ให้เรา ให้เรารู้แล้วก็ให้เราเข้าใจไม่อย่างนั้นแล้วมันเวลานึกถึงอดีตเนี่ยหรือไม่ใช่อยากจะนึกถึงมันนะแต่มันเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราสลัดไม่ออกมันจะต้องพยายามถ้าเราเข้าใจไอ้ต้นตอฐานจิตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะสลัดออกไปได้นะอันนั้นเป็นเรื่องของความหมองในอดีตต่นนี้มองอนาคต เป็นการวาดสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้เสื่อมสลายไปหรือสิ่งใดเป็นอยู่ก็ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นความฟุ้งซ่านของจิตที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองอย่างยิ่งทําให้เป็นผู้ขาดความกล้าความอาถารไปโดยปริยายตัวอย่างเช่นไม่อยากจน เป็นยังไงไม่อยากจนทำไมมันเป็นความเศร้าหมองในอนาคตยังไงฮะวัวจนอะไรนะใครจะใครจะอยากจนเหรออ้าวเเห็นใครบอกว่าพวกเราพวกอยากจนเนีไงไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> อ่ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งกลัวชื่อเสียงเกียรติยศที่มีอยู่จะสลายนะหรือว่ากลัวเพื่อนจะตีจากกลัวคนจะไม่เอาอกเอาใจนะหรือกลัวทางานไม่สําเร็จกลัวไม่มีใครรักกลัวตัวเองจะตายพ่อแม่จะตายกลัวไม่มีใครเลี้ยงกลัวเขาเพ่งโทษกลัวไม่ได้บวช อ่าแล้วอีกตัวอย่างอยากตูขวยอยากดังแสดงทำเก่ ง, อ ง, องเอมาได้ยังไงเนี่ยข้อนี้นะ อ, อยากดังแสดงทำเก่งห <c oughs> ลงมาหรือเปล่าข้อนี้รู้สึกว่ามันต่างจาก <c oughs> อันอื่นๆมากเน่คืออันนี้เขาพูดในเชิงให้เห็นถึงว่าเรื่องมันยังไม่เกิดนะแต่คนนี้เนี่ย ห่วงไปก่อนกังวลไปก่อนล่วงหน้ากังวลคําว่ากังวลหรือบ้าห่วงไปก่อนเนี่ยหมายถึงว่ากลัวว่าจะไม่เป็นไปตามนั้นเข้าใจไหมเมื่อคิดว่ามันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ทันทีนั่นแหละคนนั้นก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาแล้วเริ่มหมองแล้วใจมันก็ไม่เป็นสุขแล้วใช่ไหมใจมันก็เริ่มที่จะอะไรอะ่ะวิตกกังวล ไม่แน่ใจไม่มั่นใจหรือว่ากลัวอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมานะต่างจากลกี้นี้ที่เราบอกว่าถ้าเป็นอดีตนี่ก็เราใช้คําว่าขยําขี้เล่นแต่ถ้าเป็นอนาคตล่ะเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกว่าขยําลมเล่นขยําลมเนี่ยเล่นว่ามันมีตัวตนไหม มันยังไม่มีมันยังไม่เกิดแต่มันเป็นความกลัวที่ที่คนนั้นกลัวไปเรื่อนหน้าอะอย่างงี้ก็ก็แหมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันฮะต้นเหตุมาจากอะไรอ่าต้นเหตุเคยผิดหวังมาก่อนเอาบางอย่างอาจจะไม่เคยทําเลยก็ได้อ่าไม่เชื่อมัน่นตัวเองอ่าแล้วอะไรอีกห่วงอะไร ห่วงยังไงล่ะกัวเอากัวจะไม่สมใจนะกัวผิดหวังอยากดังทำไมอ่ะก็ไม่เห็นต้องทุกข์นี่อยากดังจะไปทุกข์ทำไมไม่เห็นต้องทุกข์แล้วกัวไม่ดังสิทั้งนั้นใช่ก็อย่างที่ตะกี้จตมาบอกไงว่ามันมัน กลัวว่าจะไม่สมใจนั่นเองกลัวว่าจะปิดหวังนะแล้วต้นตอมันจริงๆริงลงมาอีกอะไอ้ที่กลัวอย่างเงี้ยนะไม่เชื่อมันม่นมั่งอะไรมั่ง่ะต้นตอมันคืออะไรอะนี่มันยังไม่ให้ตัวต้นต่อลงมาอีกทําไมจิตเราถึงไม่เชื่อมัน่นนะทําไมจิตเราจะต้องไปกลัวอย่างนี้ด้วยล่ะ ก็นั่นแหละก็ทำไมอ่ะทไมจะต้องกลัวผิดหวังล่ะทำไมจะต้องกลัวเดี๋ยวมันไม่เป็นไปตามนั้นอ่ะฮะขาดปัญญาโอ้รวมเลยรวมหมดเลยนะก็นั่นแหละฮะก็อย่างที่อาตมาบอกว่ามันเหมือนกันเนี่ยคือตะกี้นี่เราพูดกันถึงในแง่อดีเท่านั้นเอง แต่คราวนี้เราพูดกันในเราเปลี่ยนมุมไปอีกมุมเป็นมุมตรงข้ามนั่นเองเราพูดกันในแง่อนาคตสแสดงว่าให้เห็นว่าคนเนี้ยโดยจริตโดยนิสยัยโดยความเคยชินของคนเนี้ยปกติแล้วนะชอบคิดอะไรเนี่ยร่วงหน้าอยู่เื่อยนิสัยเลยนะชอบคิดอะไรร่วงหน้าอยู่ด้วยถ้าถ้าคิดในมุมดีก็ก็เป็นสุขไปเข้าใจไหมก็เป็นแง่เพ้อฝัน อะไรเพอยิ้มอะไรใช่ไหมอันนี้อันนี้เพอหมองพูดง่ายฟุงฟุงยิ้มกับฟุงหมองใช่ไหมถ้าสมมติว่าคิดในทางเนี้ยในทางที่มันติดลบคนนั้นก็ฟุงหมองมันจะให้เห็นได้ว่ามันไม่ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละมุมเท่านั้นเองแสดงให้เห็นว่าคนเนี้ยมีจริตมีนิสัยที่ชีวิตประจําวันแต่ละวันนี่แหละ ชอบที่จะคิดอะไรล่วงหน้าคิดอะไรล่วงหน้าคิดอะไรล่วงหน้าอยู่เรื่อยเอ็ลายละกี้นี <S <s huh ่คิดอดีตเอาเรื่องอดีตมาคิดเรื่อยคิดเรื่อยแล้วก็มองแต่คราวนี้เอาเรื่องอนาคตมาคิดเรื่อยมาคิดเรื่อยไปสั่งสมไอความเคยชินที่ชอบคิดอนาคตเลยชอบคิดอนาคตอยู่เอยแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันแทนที่จะคิดอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะเนี่ยปกติของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ ที่มีกิเลสอยู่นะความฟุ้งซ่านของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ตรงอยู่2มุมนี่แหละคิดอดีตกับคิดอนาคตคิดอดีตกับคิดอนาคตนะและในตรงที่คิดอดีตกับคิดอนาคตเนี่ยมันก็ตรงใน2ลักษณะคือคิดแบบให้สมหวังหรือคิดแบบผิดหวังเข้าใจมคิดแบบผิดหวังก็ทุกคิดแบบแหมคงสาเร็จนะอะไรางี้อ้าวอันนั้นก็ก็คิดให้เป็นสุขไป โอ้มันเหมือนกันที่ไหนแล้วไอการที่เราวางแผนกลางหรือโครงการหรือว่าวางการทํางานอันนั้นมันมันไม่ได้คิดว่ามันจะต้องสําเร็จหรือว่าต้องไม่สําเร็จหรือว่าจะต้องผิดหวังหรือว่าอะไรไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ได้นี่ใช่ไหมแต่ก็เขาก็คาดการไปแหละประเอิอวันนี้จะต้องทำไอ้นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเอาเอาเอให้แบบไอค้าขายก็ได้เขาก็ต้องคิดว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ค้ขาขายแล้วมันก็ น่าจะได้กําไรอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ต้องวางโครงการไว้เหมือนกันถูกไหมอ่าแต่จิตของคนนั้นสิจิตของคนนั้นเนี่ยไปคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าลไปตั้งความหวังไว้หรือเปล่าถ้าโดยนักน ก, การค้าขายปกติเนี่ยโดยปกติกิเลสอย่างแรกก็ต้องหวังว่าขายให้กําไรได้มากที่สุดอ้าวถูกไหมกิเลสอย่างแรกเวรตั้งอย่างนี้ตั้งแบบ ฟุ้งแบบยังไงถ้าลักษณะ น, นี้ <c oughs> ฟุงยิ้มเหรอก็ขายแล้วต้องแหมรับรองเลย <c oughs> เดือนนึงเนี่ยซื้อรถได้อีกคันนึงแน่ฟุงยิ้ ม, มอยางนีงก็คือแหม บ, บาทแผนอย่างสวยงามก็ฟุ้งจริงๆถ้าอย่างนี้แหละใช่ไหมอา้าวส่วนอ่าส่วนบางทีบางคนนี่พอคิดแผนการขึ้นมาเสร็จ ต่อให้ยังไม่ต้องลงมือขายนะแต่พอคิดไปคิดไปตอนแรกก็คิดว่าจะได้กําไรพอตอนนี้คิดไปคิดไป น, น, นี่อีกมุมนึงนะคิดไปคิดไปว่าเอ๊รัถ้ามันเกิดขายขายไอ้ทำเลเรามันอาจจะไม่ค่อยดีขายไปมึงคนอาจจะไม่ค่อยมาซื้ออย่างนี้โอ้เดี๋ยวก็เจ๊งนะอ่า น, น, นี่คิดไปอีกมุมเลยใช่ไหมแล้วนั่นยังไม่ได้ขายเลยคือปัจจุบันนี่ยังไม่ได้ขายเลยนะ น, นี่กําลังจะพูดใ ห, ให้ให้ให้เห็นตัวอย่าง ก็คิดไปก่อนละคิดจกนกระทั่งในที่สุดเนี่ยอย่าขายเลยดีกว่าเพราะขายไปแล้วคงจะเจงดังั้นที่ยังไม่ได้ลงมือขายเลยไอ้ประเภทนี้ก็มีเคยเห็นไหมละ่ะเออมีจริงๆด้วยนะไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยก็ยังไม่ได้ขายเลยเพราะฉะนั้นนี่ยเนี่ยเนี่ยก็มันสุดโต่งทั้งสองขั้วเนี่ยก็คิดไปเถอะคือพวกเนี้อาจมาถึงบอกว่าคนมีกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันนะ แต่ถ้าเรายกตัวอย่างเรื่องการค้าขายขึ้นมาเนี่ยถามถามจริงๆว่าคนนั้นน่ยจะต้องมีอาชีพไหมอ้าวก็ต้องมีใช่ไหมวันไหนที่สุดเนี่ยเขาก็จะต้องทํางานแหละจะค้าขายหรือจะไปทํางานอาชีพอะไรก็แล้วแต่เขาต้องทํางานแน่แล้วถามว่าถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยจ้เอา้าคิดหวังเอาสําเร็จก็ไม่ได้คิดแบบว่าเพื่อผิดหวังก็ไม่ได้ ไม่ใช่นะความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องคิดทั้งสองมุมนั่นแหละเข้าใจไหมแต่มันไม่ใช่คิดแบบคนฟุ้งซ่านคิดพวกที่คิดเอาแต่ได้เนี่ยฟังดูให้ดีนะพวกที่คิดเอาแต่ได้มักจะค่อนข้างโลภมากเข้าใจถ้าคิดเอาแต่ได้เนี่ยมันก็เป็นกินเลสที่มันจะเอาแต่โลภมากไอ้ส่วนที่คิดแล้วก็คิดแต่ เสียคิดแต่ขาดทุนคิดแต่อะไรที่มันจะเจ๊งจะพังไอ้คิดอย่างนี้ก็ทําลายกําลังใจตัวเองมันทําให้ทอ้อมันทําให้ถอยใช่ไหมคิดอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสไปอีกมุมหนึ่งแล้วถ้า พ, พอเวลาลงมือทําจริงๆไม่ว่าจะคิดบุมไหนอย่างนี้นะก็รู้วนเป็นอันตรายทั้งนั้นไอ้คนที่เอาแต่คิดเอาแต่ได้อย่างเดียวเนี่ยพอทําไปเข้าทําไปเข้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดว่าจะได้แหละคนนี้จะเริ่มหมดกําลังใจ หรือคนนี้จะเริ่มทอก็ได้ละเพราะว่าเอมันไม่เป็นอย่างที่จะได้หรือเผลอๆยิ่งกลัวเพราะว่าโอ้โหเราคิดไว้อ่ะยิ่งไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหลงทุนไปแล้วตั้งมากอะ่ะถ้าเดี๋ยวมมมไม่ได้คืนกลับมาใช้หนี้เขาไม่ได้ติดคุกหัวโตแน่เลยเป็นหนี้เขาเยอะแยะแน่เลย บางทีพวกที่ยิ่งกลัวเลยยิ่งโอ้โหเอาไอ้น่นเอาไอ้นี่มาอุดเอาอนนั้นอันคือยิ่งไปหาวิถีทางเพอเอก็ยิ่งโกงยิ่งโลอบยิ่งอะไรยิ่งต้องทําให้ต้องได้มาให้ใหได้ถ้าไม่ได้นี่อยู่ไม่ได้เห็นไหมพเพรามเผอเพอหรือยิ่งยิ่งอะไระมิจฉามิจฉาทิฏฐิหรือว่ายิ่งกลายเป็นมิจฉาชีพไปเลยก็ได้ที่จะต้องหาทาง ให้ได้มาให้ได้เพราะนัน้นอันตรายทั้งนั้นนะ่ยส่วนไอ้พวกที่คิดแล้วทอ้อถอยคิดแล้วหมดกำลังใจไอ้พวกนี้ก็แหม่พอบางทีทําอะไรไปหน่อยเจออะไรข้อหน่อยก็เจ๊งแน่เจ๊งแนะงนะ่นะ่าเลิกเลิกดีกว่าเหมือนกับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาไม่ต้องไปเอาเรื่องการค้าขายดีกว่าเอานักปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนก็ฝันหวานจังเลยว่าโอ้โห ถ้าเรามาอยู่วัดแล้วเนี่ยนะยิ่งมีครัวจารย์ดีมีหมู่มิตรดีสายดีนี่เราไปได้สวยแน่เลยนะเราคงจะกินมื้อเดียวได้สบายนะมาฟังทำตื่นแต่เช้ามืดมาฟังได้ทุกวันทําตามกฎระเบียบได้ก็ไม่เห็นยากเลยเด็กก็กยังทําได้คนแก่ก็ยังทําได้ยิ่งยิ่งเราเป็นคนหนุ่มคนสาวนี่ทําได้แง่แง่เลยคือนี่นี่พี่เพจมองแต่มุมสวยอย่างนั้นเลยเข้าใจไหม มองแต่มุมที่เรียกว่าโอ้แล้วมาอยู่วัดนี่เขาก็บอกว่ามีแต่หมู่มิติหายดีทั้งนั้นโอ้เขาก็คงใจดีทุกคนแหละนะเขาก็คงช่วยเหลือเราเต็มที่เลยนี่คือมองแต่มุมสวยมุมเดียวเลยแล้วจริงๆมาอยู่จริงๆแล้วบางทีมันมันไม่เจออย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมบางทีโดนติบ้างโดนว่าบ้างโดนให้ขุมทรัพย์บ้างหรือตัวเองพอปฏิบัติไปเข้าบางอย่างอาจจะล้มบ้างเนี้ยทำไม่ได้ขึ้นมาอ้าว อันนี้ชักใจเสียสิเพราะว่าตัวเองนิวาดไว้แต่มุมสวยไว้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยมันก็ทําให้ท้อแล้วก็หมดหวังก็ยังได้เลยส่วนอีกพวกนึงอย่างที่บอกอ่ะคิดแต่มุมแหนะแย่คิดแต่มุมลบนะพอมาอยู่วัดนี่ก็โอ้โหนะยังไงอ่ะคิดแต่ว่าเราจะอยู่ได้เรืออย่างเงี้ยนะปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ โอ้โหดูสิโอ้โหคนนั้นเขาทําได้ดีนะแหมโอ้โหนี่เขากินมื้อเดียวดูสิโอ้โหน่ะอะไรนะกระวังนึ่งเหรอไม่ใช่แหมยิ่งบางคนสมัยก่อ น, นมาจําได้อะบางทีมองทางปฏิบัติทำมานะที่มองนางฝ่ายหญิงเอเห็นเขากินนิดเดียวนะเอเขากินมื้อเดียวเลยนะเอเขาอยู่ได้เน้ะ บางทีเห็นแล้วชักใจเสียเหมือนกันนะมาถึงแต่ก่อนนะจริงๆไม่จงใจเสียหรอกแต่มากําลังจะยกให้เข้ากับตัวอย่างที่กําลังจะยกเนี่ยคือบางทีเห็นคนอื่นเขาทาแล้วโอ้โหเขากินแค่กะลาไปนิดเดียวเองดิโอ้โหเรากินมื้อเดียวด้วยโอ้อย่างงี้เราไม่ไหวแน่เลยถ้าเรากินอย่างนี้ซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวกันนะเราก็กินของเราไปให้อิ่มแหละจะกินเยอะแค่ไหนก็นแล้วแต่มื้อเดียวเนี่ยเออเขาไม่ว่าหรอก กินไปให้อิ่มแล้วก็อยู่ให้ได้อะไรเงี้ยแต่นี่ธรรมา ก, กำลังจะพูดคนลักษณะที่ชอบคิดไปในเชิงลบอ่ะพอคิดแล้วมันก็ทําให้ทอ้อทําให้หมดกําลังใจหรือบางทีเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมปับ๊บโอ้โหท่านเทศแม่เนี่ยเดินเท้าเปล่านะบางทีเดินไปแล้วก็ อ, อืไปเจอหนามมัง่งเจออะไรมัง่งใช่ไหมเอาละคนนี้สายนี้คิดไปเถ คิดโ อ, โอ้โหแล้วเดี๋ยวถ้าเราเดินไปเหยียบเข้าล่ะโอ้โหอาจจะแหมตะปูต่าอาจจะเป็นบาทยักษอาจจะอะไรคือคิดไปในมุมรอบจนกระทั่งในที่สุดโอ้อย่างนี้เราถอดรองเท้าไม่ได้หรอกเราต้องใส่รองเท้าคือเนี่ยมันเป็นลักษณะ ท, ท, ที่คิดไปอีกมุมหนึ่งจนกระทั่งมันก็เลยไม่มีกําลังใจหรือว่าไม่มีพลังในการที่จะกล้าที่จะถือศีลหรือว่าปฏิบัติธรรมได้ก็เหมือนกับบางคนกลัวเนี่แหละแค่ เลิกจากเนื้อสัตว์มากินมังสวิรัติเนี่ยใช่มหมยิ่งบางทีจะยิงใครพูดหน่อยอะไรหน่อยก็เอาแล้วโอ้โหไอ้ น, นี่พร้อมลงไปหน่อยนะเดี๋ยวนี้แหมพอจะยินแค่นี้รีบบำรุงใหญ่เลยเพราะกลัวเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหาว่าแหมอะไรอ่ะกินมังสวิรัติแล้วผอมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็กลัวอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเนี่คือคิดในมุมที่มันทําให้ใจเราเสียใจเราไม่ดีแล้ะแล้วก็เริ่มหมดกําลังใจ